เรื่องพวกพิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมทำอุโบสถภายในสีมา455สมัยนั้นพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมทำอุโบสถทำสังฆกรรมภายในสีหมานั้นเองส่วนพวกภิกษุผู้ลงอุกเขปนิยกรรมไปทำอุโบสถ ทำสังฆกรรมนอกสีมาต่อมาภิกษุผู้ลงอุกเขปนิยกรรมอีกรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรภิกษุรูปนั้นผู้นั่งแล้วณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า พวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมนั้นทำอุโบสถทำสังฆกรรมภายในสีมานั้นเองส่วนพวกข้าพระองค์ซึ่งเป็นผู้ลงอุเขปนิยกรรมกลับต้องไปทําอุโบสถทำสังฆกรรมนอกสีมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุถ้าพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมนั้นจะทําอุโบสถ ทำสังฆกรรมภายในสีมานั้นกรรมเหล่านั้นของภิกษุเหล่านั้นเป็นกรรมที่ถูกต้องไม่เสียหายควรแก่ฐานะตามยติและอนุสาวนาที่เราบัญญัติไว้ภิกษุถ้าภิกษุเหล่านั้นเองซึ่งเป็นผู้ลงอุกเขปนิยกรรมจะทำอุโบสถสังฆกรรมภายในสีมานั้นกรรมเหล่านั้น แม้ของพวกเธอก็เป็นกรรมที่ถูกต้องไม่เสียหายควรแก่ฐานะตามยติและอนุสาวนาที่เราบัญญัติไว้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุพวกนั้นเป็นนานาสังวาสจากพวกเธอและพวกเธอก็เป็นนานาสังวาสจากภิกษุพวกนั้น